วันนี้วันที่13กัญญนยะาก็เป็นวันครบรอบปีนะที่หลวงประเทียนได้รับสังขารจากวันนั้นถึงวันนี้ก็16ปีแล้วหลวงประเทียนรับสังขารที่สำนักทับมิ่งขวัญ น, นะเมืองเลยสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะปี31เพราะฉะนั้นกว่าข่าวจะมาถึง ที่นี่นสุกโตนี่ก็ประมาณตอนเพลนพอดีนะกำลังฉันเพลนของัาที่14ก็มีพระจากที่อื่นมาแจ้งข่าวการมรณภาพของหลวงป่อเทียนสมัยนั้นก็ใช้วิธีส่งข่าวเป็นทอดทอดจากวัดนั้นมาวัดนี้จากวัดนี้มาวัดนั้นก็ไม่ทราบว่ากี่ทอดก็มาถึงวัดป่าสุกโต หลวงพ่อเทียนมีอายุนะรวมทั้งหมดก็เจ็ดสปีน้อยกว่าหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อคำเขียนก็78แปดในวันที่มารับภาพก็ใกล้ๆ ก, ก, กันนะห่างประมาณสามอาทิตย์พอดีเลยสำหรับพวกเราซึ่งเป็นรู้สึกของหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อเทียนก็ถือว่าเป็นปาจาร์ปราจาร์หรือ ป, ร า, ปร า, าระยะป่าจาระยะแปลว่า อาจารย์ของอาจารย์เป็นอาจารย์ของอาจารย์พ่ะหลวงพ่อคำเขียนก็เลยรู้ทนะจากหลวงพ่อพเทียนก็นับถือว่าเป็นอาจารย์จะเรียกว่าอาจารย์คนเดียวของท่านเลยก็ว่าได้หลวงพ่อพเทียนเป็นพระที่มีรูปร่างเล็กตัวอแบบแบบบางนะตรงข้า ง, งหลวงพ่อคเขียน ท่านมีพื้นฐานนะก็เรียกว่ามีฐานนะมีอาชีพเป็นพ่อค้าที่ค้าขายแถวเนี่ยฝั่งเชียงคานกับเมืองเลยข้ามไปที่เมืองลาวมีเรือขนสินค้านะขึ้นล่องนะแม่น้ำโขงนะเชียงคานที่เดี๋ยวนี้ทุกคน ก็รู้จักแล้วพากันไปเที่ยวก็เป็นบ้านของท่านฐานะท่านก็ดีทีเดียวนะตรงข้าวหรวงพ่อคำเขียนหลวอว่าคำเขียนนี่ฐานะยากจนนะท่านต้องเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่อายุ 10.12 เพราะว่าบิดาเาศัยชีวิตตั้งแต่ท่านอยู่ปสองปสามหลวงพ่ อ, อคเขียนเป็นผูกชายคนโตก็ต้อง เป็นหลังครอบครัวช่วยทํานาช่วยทําไร่ทําสารพัดทานาตั้งแต่เช้าจดขั้นบางทีไม่ได้นอนก็มีไม่ได้กลับไปบ้านนอนสมพองเขียนนัเคยเล่าว่าใครที่มีความทุกข์ยากมาคุยมาบอกมาเล่าให้ท่านฟังนั้นท่านก็บอกว่าอย่ามาแข่งกับท่านเรื่องความทุกข์ความยากเพรท่านทุกขยากมามา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 เป็นผู้ที่แสวงหาแล้วก็เป็นผู้ที่ใคร่ครวนทน้งที่ท่านเป็นคนที่หนักในเรื่องการทำบุญให้ทานท่านเป็นคนที่ฝ่ายทำนะเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่ท่านเต็มที่แต่ว่าทำบุญให้ทานแล้วก็ยังมีความทุกข์แ้วเราจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือตอนอายุ40 ตอนนั้นไปเป็นเจ้าภาพท้ากถินที่เมืองเลย เ, เมืองลาวแล้วท่านก็มอบหมายให้ภรรยาเนี่ยทำหน้าที่ดูแลเรื่องการใช้จ่ายไม่ว่าค่าอาหารค่ามหัศลศพหมอลําสวงพ่อท่านจะไม่ดูแลไม่รับผิดชอบเรื่องเรื่องเรื่องทองแต่ว่าจะทำหน้าที่รับแขกประช่วงที่จัดงานเนี่ย จ, จู่ภรรยาก็มาถามท่านว่าค่าหมอลำนี่มันเท่าไหร่ท่านบอกท่านโกรธมากเลยนะรู้สึกมันหนักในใจหนักจนแทบจะลูมไม่ขึ้นเลยมันเสียแทงเป็นความโกรธนะนะเพราะว่ามอบหมายภรรยาให้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วยังต้องมาถามท่านอีกแล้วความโกรธนั่นก็อยู่ในใจนะแต่ท่านไม่แสดงออก เก็บอารมณ์เก็บอาการไว้ได้จนถ้า ง, งานเลิกแล้วงานเสร็จแล้วกินข้าวเย็นนะท่านก็ยังมีความคุ้นเคืองอยู่ก็พูดเปรยๆ อ, ออกมาให้ภรรยาได้ยินในในวงข้าวอเนี่ยค น, นไม่เคารพนับถือกันมันก็อย่างนี้แหละพูดอย่างนี้หลายครั้งน้ําเสียงแล้วก็คําพูดก็ทําให้ภรรยาท่านแศกใจขึ้นมา แล้วก็เลยถามว่าเนี่ยเป็นเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าที่ไปถามเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมหลวงพ่อเทียนท่านก็ตอบว่าใช่บริจาท่านก็บอกเนี่ยโอย้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ตกนรกแล้วล่ะทําบุญทอนะาก็ถิ่นไม่ได้บุญหรอกเนี่ยตกนรกแล้วตกนรกในแง่ที่ว่าเนี่ยจิตใจไม่เป็นกุศลนะเป็นคําทักท้วงที่ ทำให้ท่านได้คิดทีเดียวพลเวลาโกรธเนี่ยโดนภรรยาทักท้วงแบบนี้อาจจะยิ่งโกรธหนักเข้าไปใหญ่ถามว่าทําบุญแต่ตกนรกนะเพราท่านกลับได้คิดขึ้นมาว่าเออใช่เนะเราทําบุญมาเยอะละให้ทานมาก็มากแต่ว่าก็ยังมีความโกรธยังมีความทุกข์อยู่แสดงว่ามันท่านก็เลยหันมาใส่ใจเรื่องการทํากรรมฐาน ไปสวงหาครูบาอาจารย์เดยเพราะที่เมืองเมืองลาวนี่มีอาจารย์กรรมฐานเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็หนักไปในทางด้านสมถะกรรมฐานท่านก็ไม่ไม่พอใจสักทีเพราะว่าเห็นว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้ท่านพ้นจากความทุกข์ได้วัชินี่ท่านก็ผ่านไม่เยอะนะเรื่อง คาถาอาคมเรื่องเวทบนคาถาเรื่องไสยศาสตร์นี่ท่านก็มีความรู้นะท่านก็มาเอาดีทางนี้เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับท่านเป็นหมอธรรมหรือเป็นอาชีพอย่างหลวพ่อคําเขียนหลวพ่อคำเขียนนี่ท่านเป็นหมอธรรมเป็นอาชีพเลยนะไล่ผีบําบัดความเจ็บปวดของผู้คนด้วยสายเวทบนคาถาแม้กระทั่งทําคลอดเป็นอาชีพของท่าน แต่ไม่ใช่ชีพเดียวนะท่านก็ทำนาด้วยเป็นช่างด้วยทำหลายอย่างเพอยากจนหลงวงพ่อเทียนท่านเป็นขหาบาดีนะท่านก็สนใจเรื่องแบบนี้ตามภาษาคนที่ฝ่ายในพุทธศาสนาก็คิดว่านั่นเป็นเป็นหนทางหนึ่งเรื่องบุญก็ทำเรื่องคาถาอาคมก็สนใจแต่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางก็เลยเข้าหาเบรมาสู่ กรรมฐานก็ไปหาครูบาอาจารย์คนแล้วคนเล่าก็ไม่พบจนกระทั่งด้านท่านได้ค้นพบวิธีการของตัวเองก็เป็นการค้นคพบในระหว่างการเข้าคอร์สก็ได้นะทานเล ก, กสมัยนี้เรียกว่าเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแต่สมัยนั้นมันไม่มันไีคอร์สปฏิบัติธรรมแต่ก็มีการรวมกลุ่มการปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ซึ่งซึ่งท่านก็สอนในแนวสมถะ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 แล้วก็จังหวะอาจจะไม่ใช่เป็น14จังหวะอย่างที่เราทําแต่ว่าการยกมือเพื่อเป็นอุบายในการทางกรรมฐานที่เมืองลาวเมืองเลยหรือว่าไปถึงภาคใต้นอกควศรีธรรมราชวัดเท้าโครดนี่ก็มีการยกมือเหมือนกันนะแต่ว่าทําคนละแบบส่วนใหญ่ก็เน้นไปนทางสมถะนะคือทําให้ช้าแล้วก็เพ่งแต่หลวงพ่อเทียนที่ท่าน เป็ น, นเรื่องความรู้สึกตัวยนกะมือก็รู้สึกตัวแลท้ท่านกะ็รู้ทำนะจากการที่ใช้การยกมือสร้างจังหวกะก็เดินสงกลมด้วยอาศัยการสร้างความรู้สึกตัวในจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือตอนที่ท่านนั่งสร้างจังหวะแล้วก็มีแมงป่องตกมาที่ขาปกติแมงป่องตกมาที่ขาท่านก็ปัดนะแต่ว่าคราวนี้ท่านไม่ปัดท่านก็ดูมัน มันเป็นแม่ลูกอ่อนมันก็มีลูกของมันออกมาเดินไตาตามขาท่านก็เห็นนะว่าแมงป่องเนี่ยมันก็มีรูปมีน้ำก็ทำให้น้องเข้ามาสู่ตัวเนี่ยเราก็มีรูปมีน้าเป็นลูปเป็นน้มตรงนี้ก็เป็นจุดชนวนนะจุดประกายทำให้ท่านเกิดความเข้าใจเรื่องรูปนามและ ก, การรู้ธรรมของท่านก็เรียกว่าเร็วมากภายในเวลาสองวัน ก็รู้ธรรมมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตอยู่หลายครั้งสองสาครั้งจนกระทั่งท่านสามารถจะยืนยันว่าท่านหมดทุกข์แล้วไม่มีความทุกข์อีกต่อไปครูบาอาจารย์ก็ยังวนเวียนอยู่ในความทุกขนะ์แต่ว่านะมั่นใจว่าไม่มีความทุกข์แล้ว <laughs> ก็เลยนะมาสอนธรรมสอนคนใกล้ชิดสอนภรรยาสอน ญ า, าติพี่น้องมิสหายดังที่ยังเป็นคาราวาดหรือคารหันนี่แหละอายุก็46บกก็ได้ผลพอสมควรนะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตกับหลายคนแต่ท่านก็พบว่าสิ่งที่ท่านสอนนี่มันหลายคนก็ไม่เข้าใจเรียว่าเพราะว่ามันนอกแบบแผนไม่ตรงนะไม่เหมือนกับที่ใครๆก็สอนกัน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 แต่ว่าก็เป็นที่รับรู้กันของผู้คนโดยเฉพาะทางภาคอีสานจริงๆหลวงพ่อเทียนนี่ก็จะเป็นที่รู้จักเฉพาะคนในภาคอีสานนะถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับนิ ม, มนต์จากหลวงพ่อ ป, ปัญญาให้มาสอนธรรมที่วัดชนนะตอนนันวัดชนก็มีการอบรมพระปี18ปีนั้นนี่อาจารย์โกวิกม็มาจาภาษาที่วัดชนด้วย ต่อมาก็มีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับอาจารย์โกวิทย์ตอนนั้นไปกับ2คนนะไปกับรสนารสนาตอนนั้นก็อยู่ปี2ธรรมศาสตร์ต่อมาอยุดปีหนึ่งก็ไปสนทนาธรรมกับอาจารย์โกวิดพัฒ น, นาจารย์โกวิดนี่เป็นที่มีชื่อเสียงมากในหมู่ปัญญาชนที่สนใจธรรมะเพราะว่าการสอนธรรมะของท่านใช้ภาษาสละสลวยแล้วก็ตรงเข้าหาแก่นธรรมแต่อาจารย์โกวิทนี่หนักทางด้านการเทศนะ เรยว่าสนทนาธรรมกับท่านก็ไม่ถูกทั้งชั่วโมงนี้ท่านคือวินิจพูดคนเดียวเลยนะเทศคนเดียวท่านนี้เป็นเอกลักษณ์ของท่านในสมัยนั้นนะคือท่านถ้าไม่ค่อยสนทนากันเท่าไหร่แต่ท่านจะเทศยาวเลยตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่าหลวงพ่อเทียนตัวธรรมาก็ไม่รู้หลวงพ่อเทียนนี่อยู่ที่วัดจรลปฐามาด้วยเพราะท่านยังไม่ดังแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ถนัดด้านการเทศการสอนนะ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 อาจารยวิทย์ได้รู้รว่าปริยัตของท่านนี่มันยังไม่ใช่สิ่งที่ท่านรู้มามเป็นแค่รู้จํานะรู้ในเรื่องพระไตรปิฎกก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มันท่านบอกว่าเนี่ยขนาดประวัติของตัวเองพ่อประวัติของพ่อแม่เรายังไม่รู้เลยยังจําไม่ค่อยได้เลยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปี 2,600 ปีนี่จะแน่ใจได้อย่างไร แตาให้มาปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นกับเนื้อกับตัวดีกว่าแาจารยกวิทนี้ท่านเป็นลูกศิษย์คนสําคัญของอาจารย์พุทธทาสนะแต่ตอนหลังก็หันมาศรัทธานับถือหลวงพ่อเทียนแต่ก็ไม่ได้ทิ้งอาจารย์พุทธทาสนะก็จุดนั้นแหละที่ทําให้หลวงพ่อเทียนเริ่มเป็นที่รู้จักนะของคนในเมืองคนกรุงเทพจริงตอนหลังท่านมาบุกเบิกที่วัดสนามในเมืองนอนท ก็ทำให้นักศึกษาก็ดีนะโดยเพราะที่ธรรมศาสตร์อย่างอาจารย์สนใจพวกจุลุพุธรรมศาสตร์ก็เริ่มไปปฏิบัติธรรมที่วัดสนามไหนซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นสวนเป็นยังเป็นสวนอยู่นะเข้าถึงลำบากลดลาก็ไม่มากทัาน้าที่มันก็สมัยนี้ถือว่าใกล้มากแต่สมัยน้นการคมนาคมก็ไม่ดี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 นั่นแหละนะให้เห็นข้างนอกข้างในนะผมว่าคําเขียนนั่นก็ทีแรท่านก็ยังไม่เข้าใจนะว่าหมายถึงอะไรแต่สุดท้าย่เขก็เข้าใจวันนี้ว่าหลวงพ่อเทียนมาแน่ว่าอย่าไปเพ่งเพ่งเข้างในต้องรู้ข้างนอกด้วยท่านก็แนะนําพระที่หนักไปทางสมถะเยอะนะเพราะภาสมัยนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งสมัยนี้ก็ยังหนักไปทางด้านสมถะอยู่คารวะ ด, ด้วย มีเรื่องเล่าว่าบางทีท่านก็เดินนะเอาผ้าเนี่ยคลุมศีรษะเดินผ่านให้ลูกศิษย์เห็นว่าผ้าคุมศีรษะนคงเป็นผ้าอาน้ำผลนี่แหละ แ, แล้วก็ดึงผ้าออกเป็นปิศนาที่จริงท่านพยายามสอนนะปิศนาด้วยปิศนาว่าเนี่ยอย่าไปอย่าไปอยู่กับสมถะเนี่ยอย่าไปอย่าไปเพ่งนะให้ออกมาเห็นข้างนอกนะ เพราะว่าสมถานี่มันก็เป็นความมืดแบบหนึง่งเป็นความมืดสีขาวเหมือนกับผ้าคลุมหัวนะมันไม่เห็นอะไรต้องเปิดนะออกมาทันนี้ก็ทำให้ครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่มาฝึกปฏิบัติกับท่านก็รู้ทำกันแต่ตอหลังท่านก็ม า, ม า, ม, ามาพูดมาสอนมากขึ้นนะโดยเพาพอมาวัสนามในตั้งแต่ปีหนึ่งปดหนึ่งนี่ท่านก็ ใช้วิธีการบรรยายมากขึ้นท่านก็พยายามเรียนรู้นะสมัยที่จะมาไปอยู่วัสนามในนะท่านก็ก็เป็นหลวงพ่อท่านก็มาให้กรรมฐานท่านก็ให้ก็ให้กรรมฐานง่ายๆสั้นๆ น, นะว่าให้รู้ให้ทําเล่นๆแต่ทําจริงๆพูดไม่นานนะพูดแนะนําให้ยกมือสร้างจังหวะพอสร้างจังหวะเป็นแล้วก็พูดเนี่ยนะ ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆแล้วท่านก็ให้เราปฏิบัติแต่ว่าเช้าเย็นเช้าเย็นท่านก็มาสอนนะท่านก็มาขึ้นเทศเนี่ยหลังทําวัดเนี่ยแบบเนี้ยท่านก็เทศครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านรุ่นแรกๆบอกว่าเนียท่านเทศท่านพูดมากขึ้นแต่ก่อนท่านไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ แล้วท่านก็เรียนรู้การเทศเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจากท่านจากพุทธทาสด้วยตอนที่จะมาปฏิบัติกับท่านที่วัสนามไหนก็กุติโยเพิงดีกว่านะเป็นเพิงใกล้ๆเ พ, งเพิงลิเกนะเป็นเวทีลิเกคือมีฝา3ามฝาแล้วก็อีกด้านนึงก็เปิดโล่งไม่มีหน้าต่างอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างหลังกุติท่านบ่ายๆนี่ก็จะได้ยินเสียงท่านเปิดเทป อาจารย์พุทธทาสท่านเปิดเทศเทศไปทุกบ่ายเลยก็จะว่าท่านคงจะศึกษาวิธีการเทศของท่านอาจารพุทธทาสแล้วท่านก็มาปรับใช้เป็นวิธีการของตัวเองตอนที่ท่านมามากรุงเทพนี้ท่านก็ยังเขียนหนังสือไทยไม่เป็นนะก็ให้ครูบาอาจารย์สอนเช่นให้ลูกศิษย์สอนหลวงเช่นหลวงพ่อคําเขียนก็สอนการอ่าน การเขียนภาษากลางภาษาไทยให้ท่านจะถึงแม้ว่าท่านจะมาเทศมากขึ้นนะแต่การสอนทำของท่านก็ยังมียังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะโดยภพาพการสอนตัวต่อตั ว, ตวหมอสุวัฒนาสุพรมาจักซึ่งเป็นหมอที่ดูแลท่านตอนที่ท่านเป็นมะเร็งท่านเริ่มเป็นมะเร็งตั้งแต่ปี2425แล้ว เป็นมะเร็งที่กระเพาะคราหนึ่งหมอสุวัฒนาอหมอวัฒนาก็มาเล่าให้หลวงพ่อเทียนฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าไ ด, ไ, ดได้พักเครื่องมานะหมอวัฒนานี่ท่านเล่นพักเครื่องพักเครื่องเนี่ยอายุตั้งเจ็ดร้อยปีหลวงพ่อต้องถามว่ามันทําจากอะไรก็ทําจากดินนะแล้วก็ทําจากสารน้นศารนี้ หงพ่อเทียนนั่นก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยให้ดินที่ไหนที่ไหนก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันตอนที่สร้างโลกนะดินที่ทําพักเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้เก่าแก่ไปกว่าดินที่เราเหยียบนะก่อนเข้าบ้านเลยพอได้ฟังทีนี้หมอ ว, วัฒนาก็สะอึกเลยนะแต่ว่าก็ได้คิดเลยนะว่าเออเราไปคิดว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นะแต่จริงเจ็อยปีนี้มันก็ไม่ได้เก่าไปกว่าดินที่เหยียบกัน นะทั่วๆไปหมอวัฒนาบอหลังจากนั้นก็ถอดพระเครื่องเลยนะมีบางคนก็มาคุยกับท่านว่าเนี่ยพระเครื่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ดีนะทําให้คงกระพันทําให้เกิดความคงกระพันชาตรีผมวงพ่ท่านก็ถามว่าคนทําตายหรื อ, อยังตายแล้วครับท่านก็เลยพูดเนี่ยขนาดคนทํายังตายเลยนะจะทําทไมถึงคิดว่าไอพ้พระเครื่องนี่ม่ทําให้ไม่ตายทําให้คงกระพันได้ ท่านก็ถอดถอนความงมงายผู้คนแบบเนี้โดยการซักด้วยการโดยการพูดให้แบบตรงไปถึงหัวใจเลยนะอีกเรื่องหนึงคือคือเรื่องเรื่องน้ำมนต์น้ำหมากเนี่ยนะเคยมีคนนิมนต์ให้หลวงพ่อท่านไปทำน้ำมนตน์แทนที่ท่านจะขอบาทนะแทนที่ท่านจะทำเอาน้ำมนต์ใส่เอาน้ำใส่บาทเพื่อทำน้ำมนต์ท่านให้เจ้า เจ้าบ้านเนี่ยไปหากระมังมาแล้วก็เติมน้ําให้เต็มเลยเสร็จแล้วพอสวดเสร็จท่านก็เอาน้ําเนี่ยกระมังเนี่ยสาดไป ท, ทั่วบ้านเลยไม่ได้พรมน้มํนามนต์จากจากบานนะแต่ว่าเอาน้ําเนี่ยจากกละมังเนี่ยสาดนักบวชเนี่ยเนี่ยเป็นมงคลนะเป็นมงคลช่วยกันแช่ช่วยกันถูอะไจะเป็นมงคลทําให้บ้านสะอาดส่วนน้ำมนต์เนี่ยนะบางทีมันมีหญ้ามี มีสารอะไรบางอย่างมีหญ้ามีผักอะไรที่ทําให้คนแพ้ได้เจ็บป่วยได้ท่านไม่เอาเลยนะเรื่องน้ํามนเรื่องไซยาสตร์เรื่องสารพระผมอ่าสารสารต่างๆเนี่ยท่านไม่เอาเลยก็พยายามถอนให้พยายามลือ้อพยายามถอนให้คนลื้อถอนจากความเชื่อ น, นี้คนไม่พอใจก็เยอะนะ เพราะการที่ท่านสอนแบบตรงไปตรงมาเรื่องศยศาสตร์เรื่องความงมงายเรื่องน้ำมนต์น้ำหมาดคนก็ไม่พอใจแต่ว่าคนที่นับถือท่านก็เยอะเลยเพราะลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์ของเจากพุทธทาสเนี่ยซึ่งก็เชื่อในเรื่อ ง, องความเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วก็น้อมใจเข้ามาหาหลงพะเทียนได้ง่ายแต่ว่าจุดสำคัญของท่านคือการที่สอนคนให้เข้าใจในเรื่องนะเรื่องธรรมะขั้นสูง ตั้งแต่เรื่องการเห็นรูปนามนะไปจนถึงการเห็นปรมัติ์เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็มีสำนวนของท่านนะอย่างเช่นรูปโรคนามโรครูปธรรมนามธรรมคือพอเห็นรูปนามแล้วก็จะเห็นต่อๆมาเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตานะท่านท่านถนัดแบบนี้นะ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 ผาให้ทะลุให้ได้ไอ้เขามารู้สื่อๆเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านท่านท่านพูดทัานย้ำมาตลอดเพราะว่าพอรู้แล้วมันไม่รู้ซื่อๆมารู้แล้วเข้าไปเป็นพอเกิดญาณต่างๆขึ้นมานี่ก็ไปเกิดความสําคัญ ม, มาหมายฉันเป็นผู้รู้ก็ทําให้เนิรนช้าต้องเห็นอย่างเดียวเลยนะไม่ไม่เข้าไปเป็นนะรู้ซื่อตอนที่หลวงพ่อคําเขียนท่าน เห็นรูปนามหลังจากที่ปฏิบัติมายี่สิบวันท่านก็มีความดีใจนะมาเล่าให้หลวงพ่อเทียนฟังหลวงพ่อเทียนก็ก็พูดในทํานอมมันก็เบรกนะบอกว่าเนี่ยโอ้ยใครไม่เห็นรูปนามก็บ้าแล้วคือท่านพูดมนกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องดีใจอะไรมากแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยไอ้กอบเนี่ยมันเห็นกลามันเห็นนาในกลาหรือมันเห็นนาในสระมันก็นเยอะแล้ว จริงมันยังมีอะไรที่มันมันมันยังมีแรงน้านที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะพูดเตือนให้ท่านว่าอย่าเพิ่งพอใจเท่านี้นะมันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากอันนี้เป็นวิธีการทักท้วงของท่านที่จะทำให้ลูกศิษย์เนี่ยไม่ไม่ติดแต่ว่าเดินหน้าต่อไปนะไม่ติดอยู่ในอารมณ์ไม่ติดอยู่ในผลของการปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราว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 เพราะถ้าหลับตาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเพลินกับความสงบได้ง่ายแล้วก็ติดตรงนั้นน่ไม่ไปไหนแล้วก็ทำให้บางทีมันไม่ใช่แค่เดินช้านะแต่มันตันเลยแลทนท่านให้เปิดตาคนที่ชอบความสงบก็จะไม่ไม่ถูกใจนะว่าทำไมให้เปิดตาแถมยกมือเคลื่อนไหวมือไปมาเดินก็เดินเร็วๆนะเร็วๆในที่นี้คือว่าไม่ได้เดินเชื่องช้า อันนี้เพราะว่าเพื่อปลุกถ้ารู้ให้ตื่นเพื่อที่จะได้ไม่ไ ม, ไม่เพื่อให้ผ่านความสงบพอถ้าสงบเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อ น, นั้นเกิดความพอใจไม่เห็นเข้าไปเป็นเลยไม่ได้รู้สื่ อ, อแต่ขณะที่เดินจงให้สอนเดินจงกามสร้างจาังหวะเนี่ยหลายคนก็ติดสงบนะพอมีสติวางความคิดวางอารมณ์ได้รวดเร็วคล่องแคล่วเนี่ยความสงบก็จะเกิดขึ้นนะ ถ้าความสงบเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไปติดตรงน้ำก็เป็นสมถะแต่ว่าสติเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เกิดความสงบนะแต่เพื่อให้เกิดปัญญาด้วยธรรมะสติกับปัญญาจะเป็นของคู่กันดนั้นถ้าเกิดติดความสงบเมื่อไหร่นะก็ก็ไปไม่ไกลองค์หลวงพ่อเทือนนั่นก็ต้นเน้นตรงนี้มากนะแล้วคอยจาจีจำชัยสมัยอยู่กับท่านที่วัสนาในท่านก็จะมาคอยสอบอารมณ์อยู่ทุกวัน ตอบด้วยคําถามเดิมอันตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอไปหลายท่านเพราะว่าพูดตอบคําถามเดิมๆตอบคาถามเดิมๆก็เบื่อเหมือนกันแต่หลวงพ่อเทียนไม่เบื่อเลยนะถ้าก็มาถามถามถ้าไม่ว่างก็ให้อาจา ร, รย์ทองนั่มามาสอบอารมณ์สมัยที่หลวงพ่อเทียนนั่นอยู่วัดสนามไนนี่สงบมากเลยนะเพราะทุกคนนี่ตั้งใจปฏิบัติใครๆก็กลัวหลวงพ่อเทียน ทา้งที่ท่านพูดน้อยเสียงเบาตัวเล็กก็ดูไม่ไม่ค่อยหน้าเกรงขามนะแต่พอท่านสอนเมื่อไหร่นะท่านเริ่มสอนท่านเริ่มตามจีนี่ท่านจะมีความสง่างมากดูหน้าเกรงขามทีเดียวลูกศิษย์ก็กลัวทั้งนั้นเลยวัฒนสนามในตะก่อนก็ไม่ได้มีเนื้อที่มากนั้นใครที่จะมาเกะกะเกเลหรือว่าเอาแต่นอนนี่ก็อยู่ยากท่านจีมาก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 ในระยะหลังเนี่ยท่านหันมาเน้นหนักการสอนคารวานะโดยพระผู้หญิงที่ท่านย้ายไปตั้งสำนักทัพมิงขวัญเนี่ยก็เพื่อให้ผู้หญิงได้ปฏิบัติโดยตรงเลยนะให้ผู้หญิงได้มีชุมชนสำหรับการปฏิบัติเพราะทัพมิงขวัญไม่ใช่วัดพออยู่วัดแล้วเนี่ยนะก็มีปัญหาญาติโยมนะอาจจะไม่พอใจที่คารวะโดยพระผู้หญิงมาปฏิบัติ ไม่สะดวกท่านก็เลยย้ายนะจากเดิมที่เคยอยู่วัดสนามในอยววัดโมก็ไปตั้งสำนักที่ทับนิ่งขวัญแล้วก็ให้ญาติโยมโดยพระผู้หญิงได้ปฏิบัติซึ่งทุกศิธิ์เหล่านะั้นก็ตั้งใจมากนะแต่ว่าก็ทำได้ไม่นานนะหลวงพ่อท่านก็รับสังขารปีสามหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าย่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องหลงพเทียนที่อยากจะพูดถึงเพื่อเราเราลึกในฐานะที่ท่านเป็น อาจารย์ของอาจารย์ของเราเนะีเรียกว่าปาจาริยะแล้วก็เพื่อได้รู้ว่าเนี่ยที่เราฝึกปฏิบัติมีที่มาอย่างไรถ้าได้เราได้รู้จักหลวงพ่อเทียนเอาไว้นะก็จะได้รู้นะรกากเงากําพืชหรือว่าต้นฐานของการปฏิบัติเอาชานี้ก็พูดกันเท่า น, นี้นะกรับพระ